สมาธิสะกดจิตก็ผิดทางถ้าหากว่าจิตไม่ออกนอกวิ่งเข้ามาข้างในมาสงบนิ่งสว่างอยู่ภายในของร่างกายเมื่อจิตสงบสว่างในท่ามกลางของร่างกายถ้าหากว่ามีครูบาอาจารย์มาแนะนาว่าให้รวมเอาความสว่างเป็นดวงแก้วสร้างดวงกลมให้กลายเป็นพระพุทธรูปเพ่งให้ใสบริสุทธิ์สะอาด แล้วจะเห็นดวงธรรมปรากฏเด่นชัดขึ้นมาถ้าหากมีใครแนะนำชักจูงให้เป็นไปอย่างนั้นก็จะเป็นไปตามคำแนะนำชักจูงนั้นๆแต่ในทางปฏิบัติที่ถูกต้องในเมื่อมีปรากฏการณ์เช่นนั้นปรากฏขึ้นนักปฏิบัติต้องกำหนดรู้เฉยอยู่เท่านั้นไม่ต้องไปนึกปรุงแต่งให้ดวงหรือความสว่างนั้นเป็นอะไรถือเพียงแค่ว่าสิ่งนั้นเป็นอารมณ์สิ่งรู้ของจิต สิ่งระลึกของสติเท่านั้น